สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง วันนี้เราทั้งสองขอเสนอผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตายิ่งและในปีพศ2549นี้เป็นปีที่ครบร้อยปีชาตการของท่านและองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณให้ท่านเป็นบุคคลดีเด่นของโลก มือมนุษย์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรได้ศึกษาเพื่อให้รู้จากสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตขออนุญาตเสนอแนะให้ท่านผู้ฟัง ได้ฟังผลงานนี้ซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งในแต่ละครั้งท่านจะได้ความกระจ่างในข้อธรรมมากยิ่งขึ้นผู้มือมนุษย์โดย ท่านพุทธทาสอินทปัญโยหนังสือที่เป็นบรรไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนาท่านพุทธทาสได้กล่าวคำอนุโมทนาเมื่อวันที่สองมกราคมพศ2501ว่าตามที่คุณปุ่นจงประเสรศิฐผู้ก่อตั้งองค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาได้ย่นใจความ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 หรือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถ้าศึกษาให้ละเอียดละ อ, อแล้วจะสะดวกแก่การศึกษาธรรมะในขั้นสูงๆเรื่องอื่นๆที่ข้าพเจ้าเคยแสดงไว้ในที่ต่างๆสืบไปโดยแน่นอนพุทธทาสอินทปัญโยเป็นมนุษย์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 จงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อเอ่ย